ทำก้าประการทำเก้าประการที่มีอุปการะมากทำเก้าประการที่ควรเจริญทำเก้าประการที่ควรกำหนดรู้ทำเก้าประการที่ควรละทำเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำเก้าประการที่แทงตลอดได้ยากทำเก้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำเก้าประการที่ควรรู้ยิ่งทำเประการที่ควรทำให้แจ้ง ทำเก้ประการที่มีอปปการะมากคืออะไรคือทำมีโยนิโสมานสิการเป็นมูล9ได้แก่ 1. บุคคลมานสิการโดยแยบคลายปราโมทย่อมเกิด 2. เมื่อมีปราโมตปีติย่อมเกิด 3. เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ 4. ผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุข 5. เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น 6. เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงเจ็ดเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายได้เอง 8. ปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเก้ 9. เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนี้คือธรรมประการที่มีอุปการะมากธรรมประการที่ควรเจริญคืออะไรคือองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ได้แก่ 1. องค์ความเพียรเพื Two, <isexual> <Bose> ่อความบริส <sed> <es into> ุทธิ์คือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือจิตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิต 3. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 4. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือกังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย 5. องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือมักคามัคคยาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทาง 6. องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนิน 7. องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศน แองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปัญญาวิสุทธิความหมดจดแห่งปัญญา 9. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือวิมุตติวิสุทธิความหมดจดแห่งความหลุดพ้นนี้คือทำเก้ประการที่ควรเจริญทำเก้ประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคือสัตตาวาสเก้ได้แก่ 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นสัตวตาว่าที่หนึ่งสงมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกา ย, ยิ ก, กาเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นสัตวตาว่ที่สองส มีสัตว <SpaceX. S 1> ์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นสัตวว่าที่ส 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นสัตวว่าที่สี่ห้มีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือพวกเทพชั้น อสันยีสัตวพรมนี้เป็นสัตวว่าที่5 6. มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัณจยายตนะชาโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรู ป, ปรสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตวว่าที่6 7. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัณจยายตนะชาโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นสตววาที่7 8. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาญตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสตววาที่8 9. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญาญาตนะฌานนี้เป็นสตาวาที่9นี้คือธรรมเประการที่ควรกําหนดรู้ธรรมเประการที่ควรและคืออะไรคือธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ9ได้แก่ 1. เพราะอาศัยตัณหาปริเยส s าการสแสวงหาจึงเป็นไป 2. เพราะอาศัยปริเยส s a n าลาภการได้จึงเป็นไป สเพราะอาศัยลาภะวินิจฉะการกำหนดจึงเป็นไป 4. เพราะอาศัยวินิจฉยะฉันทราคะความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจจึงเป็นไป 5. เพราะอาศัยฉันทราคะอัชโชสานะความหมกมุ่นฝังใจจึงเป็นไป 6. เพราะอาศัยอัชโชสานะปริคหะการยึดถือครอบครองจึงเป็นไป เเพราะอาศัยปริคหะมัจฉริยะความตรหณีจึงเป็นไป 8. เพราะอาศัยมัจฉริยะอารักะความห่วงกั้นจึงเป็นไป 9. เพราะอาศัยอารักะเป็นเหตุบาปอากุโสธรรมเป็นอนเนกที่เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวขึ้นเสียงว่ามมึ ง, มง และการพูดเท็จจึงเป็นไปนี้คือทำเก้าประการที่ควรละทำเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออาคาตะวัตถุเหตุผูกอาคาดเก้าได้แก่ 1. บุคคลย่อมผูกอาคาดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. บุคคลย่อมผูกอาคาดว่า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 9. บุคคลย่อมผูกอาคาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานี้คือทำาก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำาก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออุบายเป็นเครื่องกาจัดอาคาต9ได้แก่ 1. บุคคลย่อมกาจัดอาคาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา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 นี่คือทำเก้ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำเก้ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือนาณัตตะสภาวะที่ต่างกัน9ได้แก่ 1. ความต่างกันแห่งธาตุสเพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งผัสสะจึงเกิดขึ้น 3. เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะความต่างกันแห่งเวทนาจึงเกิดขึ้น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 เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความเร่าร้อนความต่างกันแห่งการสแสวงหาจึงเกิดขึ้น 9. เพราะอาศัยความต่างกันแห่งการสแสวงหาความต่างกันแห่งการได้จึงเกิดขึ้นนี้คือทำเก้ประการที่แทงตลอดได้ยากทำเกประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา9ได้แก่ 1. อสุภะสัญญา ความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณะสัญญาความกำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูละสัญญาความกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเก อ, อนาพิรตสัญญาความกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อณิจจสัญญา ความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อณิเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเข อ, อนร ต, ตสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนร ต, ตในความเป็นทุกข์ 8. ปหาณะสัญญาความกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญา ความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตนี้คือธรรมก้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมก้าประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุปุปภวิหารธรรม9้าเนีแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากกามและอคติธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่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 ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 5. บรรลุอากาสานัญญ า, นาตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กําหนดนานัตัสัญญาโดยประการทั้งปวง หล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 7. ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 8. ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ 9. ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาวเวทยิตนิโรธอยู่นี้คือธรรมประการที่ควรรู้ยิ่งธรรมประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออนุปุภะนิโรธ9ได้แก่ 1. การมสัญญาของผู้เข้าปฐมชาญดับไป 2. วิตกวิจาร์ของผู้เข้าธุติยชาญดับไป 3. ปีติของผู้เข้าตติยชาญดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุทชาญดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานันจายตนะชาญดับไป 6. อากาสานญจายตนะฌานของผู quickly, in in ้เข้าวิญญาณันจายตนะฌานดับไปเจ็ดวิญญาณันจายตนะฌานของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8. อากินจัญญายตนะฌานของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไปเก้าสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทีจิตนิโรดับไป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 ทำา10ประการที่มีอุปการะมากทำสิประการที่ควรเจริญทำสิประการที่ควรกำหนดรู้ทำสิประการที่ควรละทำสิประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำสิประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษทำสิประการที่แทงตลอดได้ยากทำสิประการที่ควรให้เกิดขึ้นทำสิบประการที่ควรรู้ยิ่ง ทำสิบประการที่ควรทำให้แจ้งทำสิบประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือนาถกรณธรรมทำเครื่องกระทำที่พึ่งสิบได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกขเพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกขเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายนี้เป็นนาทะกรณธรรม 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นพหูสูรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นนาถะกรณะณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิษุ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 มีความปราโมทอย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยนี้ก็เป็นนาทะกรณธรรมเจเป็นผู้สันโดดด้วยจีวอนบินทบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตวบริขารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดดด้วยจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตวบริขารตามแต่จะได้ นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 8. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุโสลธรรมเพื่อให้กุศสลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุโสลธรรมทั้งหลายอยู่แม้การที่พิกษุเป็นผู้ปราบความเพียรเพื่อละอกุศสลธรรมเพื่อให้กุศสลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุโสลธรรมทั้งหลายอยู่ นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 9. เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งเราลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้แม้การที่ภิสษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งเราลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 10.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 นี้คือทำรรสิบประการที่มีอุปการะมากทำรรสิบประการที่ควรเจริญคืออะไรคื อ, คอกศสินายตนะบอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกระสินเป็นอารมณ์10ได้แก่ 1. บุคคลหนึ่งจำปฐวีกสินกสินคือดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2บุคคลหนึ่งจำอาโปกสิลกสิลคือน้ำได้ 3. บุคคลหนึ่งจำเตโชกสิลกสศิลคือไฟได้ 4. บุคคลหนึ่งจำวายโยกสิลป์ศิลคือลมได้ 5. บุคคลหนึ่งจำนีลกส์ศิลป์ศิลคือสีเขียวได้ 6. บุคคลหนึ่งจำปีตะสิลกสิลคือสีเหลืองได้ 7. บุคคลหนึ่งจำโลหิตะกสินกสินคือสีแดงได้ 8. บุคคลหนึ่งจำโอทาตะกสินกสินคือสีขาวได้ 9. บุคคลหนึ่งจำอากาสะกสินกสินคือความว่างได้ 10. บุคคลหนึ่งจำวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ นี่คือทำสิบประการที่ควรเจริญทำสิบประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคืออายตนะสิบได้แก่ 1. จึกงจะควายตนะอายตนะคือตา 2. รูปายตนะอายตนะคือรูป 3. โสตายตนะอายตนะคือหู 4. สี่ศัตตายตนะอายตนะคือเสียง 5. คานายตนะอายตนะคือจมูก 6. กคันทายตนะอายตนะคือกลิ่น 7. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 8. รสายตนะอายตนะคือรส 9. กายายตนะอายตนะคือกายสิบโพัพพายตนะอายตนะคือโพัพะนี้คือทั้งสิประการที่ควรกําหนดรู้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 ระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณนะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตตหลุดพ้นผิดนี้คือทำสิบประการที่ควรละทำสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออากุศลกรรมบททางแห่งอากุศลกรรมสิได้แก่ 1>, 1. ปานาติบาศการฆ่าสัตว์ 2. อธินนาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิชาจารการประพฤติผิดในการาม 4. มุสาวาทการพูดเ ท, ท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พรุสวาจาการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปะการพูดเพอเจอ้อ 8. อภิชา ความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 9. พยาบาทความคิดร้าย 10. มิชชัทิฐิความเห็นผิดนี้คือทำส10ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมทำส10ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลกรรมบททางแห่งกุศลกรรมสิบได้แก่ 1. นึปานาติปาตาเว ร, รมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองอธินนาธานาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์สามกามีสุมิชฌาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมสี 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จห้าปิสุนายวาจายะเวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด 6. ภรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ 7. สัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพลอเจอ้อ 8. อนาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา 9. อัพอายบาทความไม่คิดร้าย 10. สัมมาติทิความเห็นชอบ นี่คือทำสิบประการที่เป็นไปใ น, นฝ่ายคุณวิเศษทำสิบประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคืออริยวาทรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยสิบได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ละองห้าได้สองเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกสามเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกสี่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 ภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะความพอใจในกรรมได้เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ละชีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมได้เป็นผู้ละอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจได้เป็นผู้ละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้ภิกษุเป็นผู้ละองห้าได้เป็นอย่างนี้แล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 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กําจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรเคอภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากรรมได้ละการแสวงหาพบได้ระ ง, งับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้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 ภิกษุเป็นผู้มีกายะสังขารอันระ ง, งับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุทจารที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายะสังขารอันระ ง, งับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไร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 นี้คือทำสิ0ประการที่แทงตลอดได้ยากทำส10ประการที่ควรเนี่เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาสิบได้แก่ 1. อสุภะสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณะสัญญาความกำหนดหมายความตายที่จะมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหารเรเพฏิกูละสัญญาความกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหาร 4. ส oke, m, ا, days, water, t. T. ัพพโลเคอนัพิรตสัญญาความกําหนดหมายความไม่เพลิดเพลอในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญาความกําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิเจทุกขสัญญาความกําหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเขอนัตตสัญญาความกําหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปรหานาสัญญาความกําหนดหมายเพื่อละอกุณลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญาความกําหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 10. นิโรธสัญญาความกําหนดหมายนิโรดว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตนี้คือธรรมสิบประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมสิบประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือ นิชระวัตถุทำที่ทําให้เสื่อมสิบได้แก่ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปคือบาปอุกุศลธรรมเป็นอนเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. มิจฉาสังกับปะดําริผิด ของผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุโสธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุโลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย 3. ามมิจฉาวาจาเจราจาผิดของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมไป คือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิชาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 4. มิชากัมมันตะกระทาผิดของผู้มีสัมมากัมมันตะาย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิชากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและ กุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย 5. มิชฌาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดของผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเสื่อมไปคื A, อบาปอกุศลธรรมเป็นอนเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิชฌาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย 6. มิฉาวายามะพยายามผิดของผู้มีสัมมาวายามะย่อมเสื่อมไปคือบาปอคตลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 7. มิฉาสติระลึกผิดของผู้มีสัมมาสติย่อมเสื่อมไป คือบาปอกุศรธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุโสธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศสธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไป และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัย 9. กมิฉายานะรู้ผิดของผู้มีสัมมาญาณย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิฉายานะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณเป็นปัจจัย 10. บมิฉาวิมุตถหลุดพ้นผิด ของผู้มีสัมมาวิมุตย์ย่อมเสื่อมไปคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาวิมุตย์เป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตย์เป็นปัจจัยนี้คือทำสิบประการที่ควรรู้ยิ่งทำสิบประการที่ควรทําให้แจ้งคืออะไรคืออาศัขธรรมสิบได้แก่ 1>, 1. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเศสค่ะสสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเศสค่ะสามสัมมาวาจาที่เป็นอเศสค่ะสสัมมากัมมันตะที่เป็นอเศสค่ะ 5. าสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสค่ะ 6. สัมมาวายามะที่เป็นอเศสค่ะ 7. สัมมาสติที่เป็นอเศสค่ะ 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอเศสค่ะ เสัมมาญาณะที่เป็นอาศะคะ 10. สัมมาวิมุตติที่เป็นอาศะะนี่คือทำสิบประการที่ควรทำให้แจ้งทำร้อยประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชนี้เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทิของท่านพระสารีบุตรแล้วแลถ้าสุตระสูตรที่11อจบป้าติกวัตรจบ วรรคนี้มี11พระสูตรได้แก่ 1. ปาติกสูตร 2. อุทุมมะภริกะสูตร 3. จักวัติสูตร 4. อััญญสูตร 5. ้สามภาษาธนิยสูตร 6. ปาษาทิกะสูตร 7. ลัคณะสูตร 8. สิงคาลากะสูตรเก้าอาต า, าติยะสูตรสิบสังคีติสูตรสิบเอ็ดทสุตระสูตรปาติกวักจบที่ขณิกายทั้งหมดมี34สูตรจัดเป็น3มวักจบบริบูรณ์